บุกทูหกสิบสองสดกดูการตั้งคำถามหนึ่งสตาริกิเดมันดอยูนเรียนเรีนนักเรียนเรียนมากไหม ชูลาศูนย์เรียนนักศึกไม่พวกเขาเรียนน้อยน ili ิเรียนถามคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมชูบีออฟไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อยเน่ไม่ได้อบเดมันดาสลินตอบกลับรีสปอนดีช่วยตอบกลับด้วยค่ะบังโกลูรีรสปอนดีดิฉันตอบกลับมิรีสปอนดัสทำงาน ลาบริ <Labor> เขากําลังทํางานอยู่ใช่ไหมชูบีเอสตั l a า o r a n ตาใช่ค่ะเขากําลังทํางานอยู่ Yes li estas laboranta มา veni คุณจะมาไหมชูบีเอสตัสเวนนันไ ค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ yes นี่เอสต์เดสเวนน์น์ไงอยู่โลจิคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะชูว no? ีโลจิสส์เอนเบอร์ลินค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน yes มีโลจิสส์เอนเบอร์ลิน